เรื่องดืมชูกำลังดาบตนลวยวิชัยสรยุทธ์เนี่ยเป็นคนปรางกูและปรางกูสิสเกนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความแห้งแร้งมานานแล้ววันหนึ่งดาบตนลวยวิชัยก็เริ่มปลูกต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ไม่ได้มาจากไหนก็เอาเม็ดเนี่ยเอาไนนเนมันมาเก็บมาจากที่ต่างๆโดยเฉพาะต้นตาลตอนหลังก็ขยายเป็นต้นเสดาเอาไปปลูกทุกวัน